เราอนุญาตให้เข้าไปหาตระกูลทั้งหลายได้ในสมัยที่ทำจีวรแล้วจึงรับสั่งให้พิสุทธ์ทั้งหลายยกศิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้